ต อ, อนเตรียมจิตก่อนตายวันที่20มีนาคม 2,562 ก็คุณครูนั่นสบายๆเนาะพักครูจะเกินนิดนึงนะแล้วก็เราดูวิทยากันแล้วก็บรรยายสรุปนิดหนึ่งนะวันนี้หัวข้อเราไปเน้นที่มรณานุสตินะที่เมื่อช้าพักครูเกิดว่า ชีวิตเราเนี่ยเราวุ่นวายมากเนาะเกิดมาปุ๊บก็ไปเรียนหาวิชาแล้วออกมาทำงานนะแล้วทีนี้ก็สร้างครอบครัวนะมีลูกมีหลานแล้วก็ทำไม่มีเวลามานั่งคิดหรือเตรียมตัวว่าแล้ววันสุดท้ายเราจะไปไหนนะวันสุดท้ายทุกคนจะไปเจอสิ่งเดียวกัน แต่อารมณ์ไม่เหมือนกันนะก็คือที่เราเรียกว่าตายคำว่าตายในภาษาไทยโดยเฉพาะคนเอเชียเราเนี่ยไม่ชอบฟังคำนี้เพราะว่ามันไม่เป็นมงคลเพราะลึกๆเรากลัวตายเราไม่อยากตายเราก็เลยกลัวมันก็คิดว่าไม่เป็นมงคลจริงๆแล้วเนี่ยความตายเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเราพิจารณาโมรณาสติทุกวันที่ศูนย์บาลาน่อยเพราะว่า เราสู้ความจริงว่าเราตายแน่ๆนะพราะครูเคยไปเจอเพื่อนเก่ามาจากอเมริกาใหม่ๆพาเด็กๆที่โรงเรียนไปเที่ยวแข่งสะพือก็ไปเจอเพื่อนเก่า เ, เจ้านายเขาก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยแล้วเขาบอกว่าเจ้านายเขาดูดวงแม่นมากพก่อครูอยากดูไหมพ่อครัวพ่อครูก็ดูแม่นเหมือนกันเขาบอกแม่นอะไรบอกนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยอนาคตข้างหน้านี้ตายหมดเลย ตายหมดไม่ใช่เรื่องแช่งมันเป็นความจริงทีนี้เรารู้แล้วเราเตรียมอะไรไหมเราเตรียมตัวหรื อ, อยังถ้าเราไม่เตรียมตัววินาทีนั้นเนี่ยเราจะตายแบบไหนเราจะยึดอะไรเห็นไหมเนี่ยเราต้องฝึกเตรียมตัวตายทุกวันไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่มองโลกในแง่ดี แต่มองโลกในแง่ความเป็นจริงคือคนเรามีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายบางคนยังไม่เกิดเขาก็แทงแล้วอันนี้ถือว่าตายแล้วเกิดแล้วก็ตายบางคนเกิดมาวันหนึ่ง เห็นโลกวันเดียวก็ตายบางทีเกิดมา15วันไอ้15ปีขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งตาตาตายโค้งแล้วก็ตายเห็นไหมยังไม่แก่เลยก็ตายบางคนเกิดมาอยู่จนถึงแก่ได้นะบางทีแก่แล้วไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บอะไรได้แข็งแรงมากเกิดอุบัติเหตุก็ตาย บางคนแก่แล้วต้องเจ็บ ก, ก่อนเป็นโน่นเป็น น, ôn, น, นี่เป็นนั่นเป็นนี่ให้เรารับกรมตรงนั้นออแล้วก็ถึงตายมันมันไม่เลี่ยงมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นครบวงจรนะบางคนยังไม่มีโอกาสแก่ก็ตายนะบางคนชะล่าใจว่าเออเราหลังกเกษียณอายุเราค่อยมาปฏิบัติธรรมเตรียมตัวตายกันเนะพื่อนพ่อกูเป็นด็อกเตอร์เป็นอดีตรัฐมตนตะรีก็บอก เอาไว้หลังกเกษียณค่อยมาฝึกเพราะครูว่าเธอรู้ได้ยังไงเธอจะตายหลังกเกษียณ น, นะแล้วเขาก็ตายไปแล้วอย่าประมาทอย่าประมาทนะยิ่งกลัวยิ่งต้องฝึกแล้วสุดท้ายความกลัวมันจะไม่อยู่กับเรานะกลัวตายนี่บางคนบอกว่า ตายไม่กลัวกลัวอดได้เวลาที่มันอดมันก็พูดอย่างนั้นเพราะเขายังไม่เคยตายจริงๆแล้วที่นั่งอยู่นี่ทุกท่านเนี่เคยตายมาแล้วเราตายมาหลายชาติแล้วเราแกล้งลืมเราแกล้งลืมเราแกล้งลืมนะจริงๆเราไม่แกแล้งหรอกมันลืมจริงๆธรรมชาติให้เราลืม แต่ถ้าเรานั่งวิปัสนากรรมฐานเราฝึกมาหาสติปฐานเราจะรีวายไปสู่อดีตได้เราไปเห็นตอนที่เราตายมาหลายชาติแล้วเห็นไหมเราจะไม่กลัวตายอีกต่อไปตายอีกชาติหนึ่งไม่เห็นเป็นไรความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียคนจีนเขาเรียกว่ากั่วเซิงนะกั่วเซิงคือเปลี่ยนร่างเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสีย แต่ท่านี้พองานศพมาเนี่ยนั่งร้องไห้กันใหญ่เลยฮะเราร้องไห้ทําไมเราอยากให้เขาฟื้นเหรอช่วงงานศพเราร้องไห้อยู่ก็เปิดฝาโลงขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่าวิ่งหนีนะเพราะเรารู้สึกเราสูญเสียคนที่เรารักเลยเพราะเราไม่รู้ความจริงความตายไม่ใช่ความสูญเสียเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากล่างหนึ่งไปสู่อีกล่างหนึ่ง อาจจะเป็นอยู่ในร่างอเปตอสุลกายไปอยู่ในร่างสัตว์เยรฉานเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวนะหรือเกิดมาเป็นร่างมนุษย์หรือจะอยู่ในร่างเทวดาเสพยบสุกอนนะความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียนะก็พวกครูเกิดให้เข้าใจแล้วทาไมว่าเอ๊ะพวกเราต้องเสียเวลามาศึกษาเรื่องนี้สำหรับพวกครูนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่สุดในชีวิต ชีวิตเราไม่ถึงร0อยปีเพื่อวันเดียววันสุดท้ายวันที่เราเรียกว่าตายนั่นแหละเพราะวันนั้นมันจะส่งผลขึ้นไปอีกหลายชาติมันส่งผลอีกหลายชาติถ้าเราตายไม่เป็นนี่เราทุกทรมานส่วนมากเราทุกเพราะกายสังขารเจ็บปวดเวลานั้นจิตมันทุกมันออกจากล่ามันก็ทุกแบบเดียวกันมันจะไปสู่ทุกกผิดทุกกติภูมิ ถ้าตายแบบคนนอนหลับปุ๊บนี่ไปสู่สุกติภูมิแต่สุกติภูมิมันมีหลายระดับอยู่ที่ว่าสภาวะจิตของเราอยู่ขั้นไหนเอาะละ่ะบางคนเลี้ยวซ้ายลงนรกบางคนเลี้ยวขวาไปขึ้นสวรรค์บางคนตรงไปไปสู่นิพพานไปสู่อริยะสมบัติเนะวินาทีนั้นสำคัญมากจิตคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปอยู่ที่เราเตรียมความพร้อมมาหรือ ย, อยัง ทำไมต้องปฏิบัติธรรมทำไมต้องปฏิบัติธรรมใช่ไหมทำมาหากินก็ลำบากแล้วไม่มีเวลาแล้วทำไมต้องเสียเวลามาปฏิบัติธรรมเหนื่อยก็เหนื่อยเวลาเราออกกำลังกายเหนื่อยไหมเหนื่อยทำไมเรายอมออกเพราะเราศรัทธาว่าออกกำลังกายแล้วเราแข็งแรงใช่ไหมออกกำลังกายกายก็แข็งแรงออกกำลังจิตจิตก็แข็งแรงแต่เวลาเราตายนั้นล่างกายไม่ได้ช่วยเราเ่ย จิตต้องช่วยให้เราปลดปล่อยข้ามพ้นทุกขเวทนานั้นได้นี่ออกกําลังจิตนะแต่ชีวิตเราไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีโอกาสได้เรียนรู้เราอยู่กองพิทักษ์นี่บุญมากบุญมากบุญบุญมากแล้วมาเจอผู้บริหารผู้ผู้นำองค์กรเนี่ยมีาทางโลกบอกมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ศคือตัวปัญญาแต่มีหลายระดับบางคนมีวิชั่นทางโลกเก่งเรื่องวัตถุสร้างวัตถุเก่ง แต่พัฒนาชีวิตตัวเองไม่ได้พออกหักปุ๊บผิดหวังปุ๊บฆ่าตัวตายอันนี้วิสัยทัศน์ทางธรรมคือมีปัญญาถ้าผู้บริหารองค์กอ น, นี้ไม่มีปัญญาจะไม่กล้าทำแบบนี้แบบนี้แบบไหนเราดูแลเด็ก 5-6,000 พันคนบวกผู้ปกครองไปด้วยนี่หมื่นกว่าคนคิดว่าง่ายเหรอโดยเฉพาะมาทำโปรแกรมนี้เนี่ยไม่ง่ายที่จะอธิบายพราะความรู้ของผู้ปกครองเนี่ย เขารู้ว่าต้องสร้างวัตถุสร้างวัตถุเด็กเขาต้องเก่งวัตถุเนี่ยเลยไม่เตรียมตัวสุขภาพให้กับเด็กโปรแกรมที่เราทำเนี่ยกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีเป็นการเตรียมร่างกายเตรียมชีวิตเพื่อจะไปต่อสู้ส่วนวิชาการเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมชีวิตเตรียมร่างกายที่แข็งแรงกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีแล้วก็เรียนรู้อะไรก็ก็ดีนะอันนี้คือ ต้องก่อนนุมโมทนาบุญคุณพ่อคุณแม่ครูก้อยครูกแก้วแล้วก็พี่ๆน้องๆดงเตอรเก่งอะไรเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆไม่กล้าทำเหนื่อยกว่าเกา่าเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเกา่าแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาความกังขาของคนแต่ถ้าเราไม่มีเมตตาแล้วเนี่ยเราเอยเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าเอาเก่งวิชาการอย่างเดียวก็พอแล้วนะแต่ไม่ใช่ก่อนพิทัก์ อันนี้ พ, พ่อคูเกิด น, นะแล้ววันนี้เป็นวันที่คนไม่มีบุญไม่เห็นกรุงเทพเราเผาเผาศพยังไงปุ๊บเอาเข้าไปในห้องเผาไฟฟ้าปุ๊บพรุ่งนี้ก็เก็บอัฐิเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ศูนย์พระลานคอยสามสิบปีที่ พ, พ่อกูถอยมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเผาสดๆเอาฟืนเนี่มาเผา เอาสลีละล่างเขาเนี่มาเรียนรู้กันมาพิจารณามรณานุสตินะบางคนเผาทําไมมือดีดออกมาขาดีดออกมานะบางคนเผาที่สูนยนะลุกขึ้นมานั่งกรรมฐ า, านอยู่กองไฟเลยเผาไม่ไหม้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้น น, นนะเออบางคนเผาปุ๊บตัวใหญ่ๆออกมากระดูกเหลือนิดเดียวบางคนตัวเล็กเผามาเหลือเต็มเลย กระดูกกลายเป็นพระธาตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็ พ, พ่อกูเกิดอย่างนีง้ก่อนเดี๋ยวเราฉายดูกันก่อนแล้ว พ, พ่อกูจะสรุปให้ฟังนะ กราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณแม่ชีกาละยานามิตรที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวแก้วทิพย์รัตนวัยโรดในฐานะลูกสาวบุญธรรมของนางสาวธนันวดีธรรมนิยมกุลผู้วายชนซึ่งทุกคนในสมาชิกครอบครัวใหญ่ของศูนย์พลัานคอยคุ้นเคยเรียกผู้วายชนว่าป้าหงคุณแม่ธนันวดีธรรมนิยมกุล เกิดเมื่อวันที่ส1ิอดพฤษภาคม 2,482 เป็นบุตรของคุณพ่อก่วนจัวและคุณแม่เอียวสีมีพี่น้องรวมสีคนดังนี้หนึ่งนายสุนทรธรมนิยมกุลสองนางสาวธนวดีธทมนิยมกุลผู้วายชนสนายพงศักดิ์ทมนิยมกุลสนายคงศักดิ์ทมนิยมกุลชีวิตในวัยเยาว์ คุณแม่ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนการนะวิทยาจนจบชั้นป .4 จากนั้นมาประกอบอาชีพค้าขายที่จังหวัดชนบุรีคุณแม่ดำรงพรมจันมาตลอดชีวิตแต่ได้นำหลานสองคนมาเลี้ยงดูเสมือนลูกของตนคนแรกคือนางกัญญากรรมจรกิจการเป็นบุตรของพี่ชายที่ชื่อนายสุนทรธรรมนิยมกุล ปัจจุบันสมรสกับนายคมกำจรกิจการมีบุตรธิดารวมสามคนคนที่สองคือดิฉันเองซึ่งเป็นบุตรของน้องชายที่ชื่อนายพงศักดิ์ธรรมนิยมกุลซึ่งตอนที่ดิฉันมีอายุได้เพียงสามสิบเจ็ดวันคุณแม่ก็นำดิฉันมาเลี้ยงดูคุณแม่ยึอดอาชีพค้าขายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสันโดษตั้งแต่ที่ดิฉันจาความได้ มักจะเห็นคุณแม่เข้าวัดทำบุญทำทานฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดทุกวันพระคุณแม่มักจะอุ้มฉันเข้าวัดเพื่อไปถวายเพลพระสงฆ์ณวัดใกล้บ้านในวันเกิดหรือวันสำคัญก็มักจะพาดิฉันไปทำบุญที่สถานสง้์คนชราถวายสังฆทานทอดกะถินทอดผ้าป่าณวัดต่างๆเสมอมาบุคคลที่เคยร่วมทำธุรกิจ และเพื่อนๆของคุณแม่ทุกๆคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าคุณแม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคโกงใครมีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอพูดจริงทำจริงไม่เคยพูดปดกับใครดำรงตนอยู่ในศีลห้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วันที่ดิฉันเรียนจบปริญญาตีดิฉันรู้สึกอยากปฏิบัติธรรม จึงได้ขออนุญาตคุณแม่ไปปฏิบัติที่วัดในจังหวัดชนบุรีปฏิบัติทรรมได้สองคอร์สก็มีพระได้แนะนำให้ไปปฏิบัติต่อที่ศูนย์พลานคอยจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ก็ไม่ขัดแย้งและคอยสนับสนุนมาโดยตลอดเพราะตัวท่านเองก็ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วตัวดิฉันเองได้มาพบสัจธรรมชีวิตที่ศูนย์พลานคอย จึงปาวารานาตัวที่จะเดินสายธรรมไปตลอดชีวิตโดยความเมตตาของพ่อครูบัญชาตั้งวงชัยได้กรลุนานนำพาดิฉันกลับบ้านที่ชนบุรีเพื่อแจ้งความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเดินสายธรรมกับคุณแม่ทั้งๆ ท, ที่ตัวฉันเองเพิ่งเรียนจบปริญญาตรียังไม่ได้เริ่มทำงานแม้แต่เพียงวันเดียวเพื่อสนองคุณแม่แต่คุณแม่เมื่อได้ยินแบบนี้ท่านก็เป่งสาธุการ อนุโมทนากับความปรารถนาที่จะเดินสายธรรมของดิฉันดิฉันจึงได้มาปฏิบัติที่ศูนย์พรานคอยในปี2549คุณแม่ใช้เวลาสองปีเพื่อ ส, สาธัรธุรกิจที่ตั้งใจจะมอบให้ดิฉันสารต่อแต่เมื่อดิฉันไม่ขอรับท่านจึงต้องเคลียร์ทุกอย่างแล้วหยุดชีวิตของตนเองลงในทางโลกและมาใช้ชีวิตในทางธรรมที่ศูนย์พรานคอย วันแรกที่ท่านเดินทางมาถึงศูนย์พลานคอยท่านกล่าวกับพ่อครูว่าภาระหน้าที่ทางโลกของท่านหมดแล้วลูกสาวคนโตคือพี่กุ้งก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วส่วนคนเล็กคือดิฉันก็ได้ตัดสินใจมาเดินสายธรรมเพื่อไม่ให้แก้วทิพเป็นกังวลและเป็นห่วงท่านก็จะถือโอกาสนี้มาปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่ความค้นทุกเช่นเดียวกัน สิบปีที่คุณแม่มาใช้ชีวิตที่ศูนย์พลานคอยท่านศรัทธาตั้งมั่นเสมอต้นเสมอปลายทำวัดเช้าด้วยตัวท่านเองในที่พักทำวัดเย็นร่วมกับหมู่คณะเช้าสายบ่ายเย็นท่านก็เข้าปฏิบัติที่ศาลาทุกครั้งไม่มีขาดไม่ทำตัวเป็นพาระต่อองคอ์กรท่านสำรวมระวังในการใช้ชีวิตไม่เคยเป็นวัดเป็นไข้ มีสุขภาพที่แข็งแรงมาโดยตลอดหลายๆครั้งที่ท่านชอบสนทนาธรรมกับญาติธรรมที่ได้เข้ามาปฏิบัติเพื่อคอยเตือนสติให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตและเล่าประสบการณ์ของท่านในทางโลกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนวันที่18มกราคม2562ที่ผ่านมาคุณแม่ก็ทำกิจวัตรเช้าเป็นปกติคือทำวัดเช้าสวดมนต์ เดินไปศาลาปฏิบัติธรรมและเดินมาตักอาหารที่โรงอาหารเมื่อกลับไปถึงที่พักกำลังกวาดพื้นอยู่อยู่ๆก็ปวดหลังดิฉันก็ไปช่วยนวดพร้อมกับญาติธรรมอีกส4สี่คนพ่อครูบัญชาก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ดิฉันรู้สึกกังวลจึงขอร้องให้พ่อครูพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่าเป็นอะไรปรากฏว่าความดันปกติแต่หัวใจเต้นเพียงห้าสิบ คุณหมอจึงให้น้ําเกลือและจอเลือดตรวจเมื่อผนเลือดออกมาปรากฏว่าเลือดอาจจะติดเชื้อคุณแม่ก็บ่นปวดหลังดิฉันก็ลองค้าดูจึงเห็นเป็นก้อนลมอยู่ด้านหลังก็เลยช่วยนวดผ่อนคลายให้ขณะที่นวดท่านก็รู้สึกดีเมื่อหยุดนวดก็ปวดขึ้นมาใหม่พ่อครูจึงเตือนสติให้รวบรวมความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจ อา น, นิสงที่ได้ฝึกมาโดยตลอดประกอบกับพ่อครูก็ช่วยนวดให้บ้างอาการคุณแม่ก็ค่อยๆสงบลงข้ามพ้นเวทนานั้นได้ดิฉันจึงนวดต่อจนท่านรู้สึกดีจึงขอไปห้องน้ำก่อนช่วเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีที่ดิฉันไปคุณแม่ก็จากไปด้วยอาการสงบณเวลานั้นดิฉันรู้สึกตกใจเพราะตลอดเวลาไม่เคยเจ็บป่วยยอมรับว่าช็อก ทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติมาตลอด13ปีแต่พอพ่อครูได้เตือนสติว่าจะเสียใจทำไมต้องเฉลิมฉลองในความสำเร็จของป้าหงบุญกุศลที่ป้าบํเาเพ็ญเพียรมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีอริยทรัพย์ที่ทำให้ข้ามพ้นเวทนาเหล่านั้นได้ความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียเปลี่ยนจากร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่ที่ดีขึ้น และป้าหงได้สร้างอริยทรัพย์ไว้มากมายย่อมไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคําสอนของพ่อครูจึงทำให้ดิฉันได้สติและหลุดออกจากภาวะของความตกใจในทันทีหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ได้นําท่านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและจัดพิธีให้ท่านด้วยอาการที่สงบใบหน้าของท่านยิ้มแย้มเหมือนคนนอนหลับ ป้าหองมักจะบ่นกับปีฉันเสมอๆว่าทำงานเยอะไปแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้กินข้าวให้เยอะๆหน่อยจะคุยกับใครก็ให้เป็นเวลาและต้องแบ่งเวลาให้เป็นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจคุณแม่ได้ดำลงชีวิต79ปี และเป็น79ปีที่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและความเมตตาเป็นอย่างยิ่งต่อทุกๆคนผลบุญที่ท่านได้ทำจึงส่งผลให้ท่านจากไปด้วยอาการสงบณเวลานี้เมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วทำให้เราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างว่าเราควรที่จะระลึกถึงความตายเสมอความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่อยู่หลังความตายนั่นแหละ เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะตระหนักถึงมากกว่าความตายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาดังนั้นเราไม่ควรประมาทในการดำลงชีวิตทุกวินาทีเราควรมีสติตั้งมั่นทำแต่ความดีทำในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลและจากไปด้วยอาการสงบอย่างที่คุณแม่ได้ทำให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง คุณแม่ปรารถนาที่จะปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกมาตั้งแต่ท่านยังสาวแต่ด้วยภาระหน้าที่ต่อครอบครัวและต้องดูแลลูกคือแก้วและพี่กุ้งท่านจึงต้องดำเนินกิจกรรมทางโลกก่อนแต่เมื่อวันหนึ่งท่านได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างจรงิงจังท่านก็ตั้งจิตที่จะปฏิบัติจนถึงนิพพานและบอกแก้วเสม อ, สมอว่าต้องทำให้ได้นะ จะได้ช่วยเหลือพ่อครูเผยแผ่ธรรมะและช่วยส่ลงศาสนาต่อไปเพื่อให้คุณแม่หมดห่วงได้ได้อีกแก้วก็ขอสัญญาว่าจะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ทำความปรารถนาของคุณแม่ให้เป็นจริงเมื่อแก้วพ้นทุกข์แล้วก็จะทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยและจะไม่ลืมคำสอนและสิ่งต่างๆที่ท่านทำให้ดูไว้เป็นตัวอยา่าง พ่อครูก็บอกแก้วตลอดเวลาว่าในโลกนี้คนเก่งมีเยอะคนมีทรัพย์ก็มีเยอะแต่สังคมมนุษย์สับสนวุ่นวายเพราะคนขาดคุณธรรมสังคมมนุษย์ต้องการผู้นำทางจิตวิญญาณสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีถ้าหากมีสิ่งใดขัดตกบกพ้องก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ ล่าสุดที่ศูนย์ที่ศูนย์อยู่แบบครอบครัวใหญ่นะทุกคนเสียชีวิตที่นู่นเผาที่นู่นพ่อห้องเนี่ยไม่มีลูกไม่ได้แต่งงานรักษาพร ม, มจันทร์มาตลอดชีวิตก็เอาหลานสองคนมาเลี้ยงคนโตก็คือลูกสาวของพี่ชาย คนเล็กเกินลูกสาวของน้องชายคือแก้วทิพย์นะแก้วทิพย์ป้าหองเอามาเลี้ยงตอนอายุ37วัน37วันไม่ใช่37ปีนะเพราะเกิดมาดวงแข็งนะคุณย่าเขาไปดูดวงว่าอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่จะทนไม่ไหวไม่มีเอาไม่มีใครเอาเขาอยู่ก็เลยให้ป้าหองมาเลี้ยงนะก็เลี้ยงจน ส่งเสียจนจบปริยาตรีแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานสักหนึ่งวันสนองคุณป้านะก็มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์แล้วก็ระลึกถึงอดีตนะก็ตัดสินใจว่าจะเดินสายธรรมพ่อครูก็พามาชนบุรีเองนะมามาแก้วข้ามาบอกป้าบอกแกจะเดินสายธรรมแกสะดุดอยู่นิดนึง ป้าก็สะดุดเิดหนึ่งเขาก็บอกอนุโมทนาสาธุจริงๆแล้วเราหาแม่แบบนี้ไม่ค่อยมีในยุคนี้แม้กระทั่งยุคพุทธกาลเจ้าชายศิริธรออกไปออกบวชไปสแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยในราชบังไม่มีไม่แต่หนึ่งคนดีใจพอใจท่านต้องขโมยออกไปนะ ถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ากราบไหว้ทีนี้เป้าหองไม่ใช่แม่แบบนั้นเขาไม่ได้ห่วงอนาคตแก้วท่านห่วงว่าแก้วจะไม่พ้นทุกนะเขาก็อนุญาตนะแล้วก็พอแก้วมาที่ศูนย์เป้าหองนี่ใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งสปีเนี่เคลียธุรกิจที่แก่ทำเพื่อจะมอบให้แก้วทิพย์ท เมื่อแก้วไม่เอาแล้วก็เขียเป็นศูนย์แล้วแกก็เดินทางไปใช้ชีวิตที่น่นนะสิบปีมุ่งมั่นปฏิบัติพระพมไม่ใช่คนหวอหวานะเขาไปเรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลายนะเช้ามาก็เข้าศาลานะก่อนจะเข้าศาลาทำวัดเย็นที่บ้านก่อนทำคนเดียว เพราะที่ศูนย์เราไม่ได้ทำวัดเย็นเป็นองค์รวมเพราะว่าเรามีเด็กนักเรียนเขาต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนนะแล้วก็ทำวัดเย็นพระห้องไม่เคยขาดนะสี่เวลาที่นั่นไป10ปีไม่ขาดแล้วเขาเป็นเชื้อจีนด้วยแต่เขา10ปีนี้เขาไม่มีวันศาสตร์ไม่มีวันจุดจีนไม่มีวันเชยงเมง้งนะญาติพี่น้องลูกหลานที่ชนบุรีเนี่ยเขาวาง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 เป้าหมายประหองชัดเจนวันแรกที่แกมาอยู่ศูนย์แกบอกพระครูว่าเพื่อไม่ให้แก้วทิพเป็นห่วงแกแล้วแกจะมุ่งมั่นมันเป็นเพียรด้วยเป้าหมายคือพ้นทุกข์ก่อนวันสุดท้ายที่แกจะจากไปแกก็เดินไปคุยกับเจ้าคณะอำเภออำเภอหนึ่งมาปฏิบัติที่ศูนย์แกก็เล่าประวัติแกนะบอกแก้วทิพนี่เรียนจบยังไม่เลี้ยงแมเลย มารับใช้พ่อคูแต่แกพูดในเชิงว่าแกปรียายินดีและถ้าแกไม่ถึงนาคามีเนี่ยแกไม่ยอมไปนะอันนี้คือความตั้งใจจริงของแกนะก็พองานศพเสร็จปุ๊บแก้วิบก็ไปคนตู้แกก็บันทึกไวนะ้นะพิาีกรรมแกมีแต่เรื่องธรรมะนะที่บันทึกไว้มีแต่เรื่องธรรม ะ, นะมรรมะคือเขาเอาจริงนะก็เอาจริงก็ปฏิบัติจริงวางจริงๆ แล้วก็พระหองพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือว่าจิตไม่มีเพศไม่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับนักบวชหรือไม่นักบวชทุกดวงจิตมีสิทธิ์หมดนะจิตไม่มีเพศนะพระหองก็ทําสําเร็จแล้วก็พิสูจน์ชัดเจนอัตถิของพระหองเนี่ยถ้าเราเอาเก็บไว้เขาจะงอกเงยขึ้นมาเขาจะมีชีวิตนะตอนนี้อัตถิธาตุพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบรมสารีขาธาตุเนี่ยขยายไปทั่วโลก นะอันนี้คืออติถ้ากระดูคนเราเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเผาปุ๊บส่วนมากเจอไฟพุจะกลายเป็นขี้เท่าเหลือกระดูกก็เป็นกระดูกธรรมดานะซึ่งไฟมันเผาไม่ถึงนะของพระของเนี่ยเหลือทุกชิน้นฟันก็เหลือเรียกว่าเที่ยวแก้วพระเที่ยวแก้วนั่นแหละคําว่าพระพระของก็พิสูจน์อย่างหนึ่งที่พระครูบอกว่าพระอยู่ในภูเขาจิตไม่เกี่ยวกับอาชีพหรือเครื่องแต่งกาย นะเป้าห้องเป็นภาพแล้วนะทุกคนทําได้นะทุกคนเนี่ยอยู่กับอาชีพการงานอยู่กับดำรงชีวิตแล้วปฏิบัติคู่กันไปเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจิตเขาก็ฟอกกระดู ก, ก, กระดูตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็งงอยู่วิจัยไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าสติละเป้าห้อง วันที่แกเสียเหมือนเออหัวใจไม่ไม่ปั๊มละไม่มีเลือดลมเลือดลมไม่วิ่งละน ะ, ะเหมือนคนนอนหลับแต่ว่าซิดซีดแต่9ก้าวันอยู่ในตู้เย็นนั้นนะ่ะก้าวันนั้นนะจิตเป้าหองยังเข้าศาลาทุกวันวันที่สองคูโ ก, ก, ก้ก็มียานู้นะเขาถามเป้าหองว่าไปทาทรงผมใหม่เหรอเพราะผมแกดิกมวยผมแกนี่เหมือนก้นหอยนะแล้วก็ ทำด้วยไขยมุกสีมุกวันที่สองกลายเป็นสีทองวันที่สามแต่งชุดโพธิสัตว์มาเลยช่วงดวงจิตที่อยู่ในงานศพนั้นนะรนะ่างกายยังอยู่นะเขา อ, อาศัยร่างตรงนั้นนะ่ะนะมําเป็นเพียนต่อได้เทวดาทำไม่ได้นะถึงเก้าวันก็้เปิดออกมาเนี่พระหองทำไมปากแดงสีชมพูเห็นไหม ความมีชีวิตไม่มีแล้วหัวใจไม่เต้นแล้วแต่ในเซลล์นั้นยังมีกายวิญญาณอยู่ในกระดูกในอตินั้นยังมีกายวิญญาณอยู่ยังมีชีวิตยอยู่นะมันถึงขยายได้แต่อันนี้คือชัดเจนนะเที่ยวนี้พระภิกษุในศูนย์ขอร้องพ่อครูหลังจากเห็นเสียสละสลีละพระองบอกว่าอย่าเผาได้ไหมเก็บศลีละไว้ใส่ตู้กระจกนะเพื่อสร้างศรัทธาให้ญาติโยมพ่อครัว คืนสู่ธรรมชาติอุบายแบบนั้นนะ่ะหลายหลายวัดอยู่ได้เพราะส리ระนั้นแต่ก็ทำให้ทนหลงหลงมงายร้อยทั้งร้อยไปกราบไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปขอน่นขอนี่เพิ่มกิเลสไม่ใช่เราเห็นแล้วสร้างศรัทธาให้เรามุ่งมั่นปฏิบัตินอกจากคนมีบุญจริงๆก็เห็นแล้วสร้างบันดาลใจมุ่งปฏิบัติอัติท่าก็เหมือนกันนะเพราะศรัธาท่าของพุทธเจ้าไปทั่วโลก อยู่ในเจดีย์ต่างๆเรากราบไหว้เพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทุกคนมีหน้าที่ทําให้อัติตัวเองกลายเป็นพระาธาตุไม่ใช่ไปพึ่งพระาธาตุในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอโน่นขอนี่เราจะไม่มีวันเข้มแข็งนะพอเป็นพระาธาตุปุ๊บพระเขาก็มาขอเพราะว่าลอยังคารคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดอัติเป้าหองเนี่ยแลกด้วยอะไร แรกด้วยเพชรนินจิตดาทรัพย์สมบัติกองสูงเท่าภักขกเขาปะสุเมนหลายหลายชาติกว่าจะแลกเป็นอัติธาตุเนีแสดงว่ามีคุณค่ามหาศาลนั่นแหละมีคุณค่ามหาศาลถ้าเรายังอยากได้อยู่ปุ๊บเนี่แสดงว่าเรายังมีกิเลสอยู่มีคุณค่าแค่ไหนก็คืนสู่ธรรมชาติไปนะที่ศูนย์ไม่ยอมให้ทุกคนไปหลงอะไรที่มันไม่ใช่ทางคนทุกนะก็ อธิท่านออกมารูปร่างบางทีไม่เหมือนกันเพราะการประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยปันปันธรรมเนี่ยมันเทคนิคมันต่างกันนะการฟอกกระดูกก็ต่างกันอยู่ที่ว่าเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรก็เรียกไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าพิสูจน์ว่าจิตทุกดวงเนี่ยสามารถทำได้และนี่แหละคือแก้ปัญหาต้นเหตุของทั้งหมดนะเราเกิดมา ก็ทุกแก่มาก็ทุกเจ็บมาก็ทุกตายก็ทุกถ้าไม่อยากทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือไม่ต้องเกิดอีกเราเรียกว่าเป้าหองก็เสียวันที่สองไม่ชีมัธยมหอพักก็อยู่ข้างบ้านเป้าหองเนาะเขาเดินมาเขาก็วิ่งกันใหญ่เลยเพราะกูบังเอิญเหลือไปเห็นและตอนเช้านั้นก็เรียกมาประชุมว่า จากคืนนี้เป็นต้นไปเรายังมีเวลาอยู่อีกเจดวันนะหมุนเวียนกันนะมานอนกับพระหองอยู่หน้าศพคืนละห้าหคนนะเพื่อมาล้างอุปท า, านความกลัวเราเราเกิดมาไม่เคยเจอผีเลยก็กลัวผีกลัวผีพระหองไม่ใช่ผีที่ไหนพระหองเป็นพระอดิยสงนี่คือพระจริงๆคำว่าพระเนี่ยคือเริ่มจาก พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอหรหันต์อันนี้เรียกว่าพระสี่คู่8ดบูรุษเป็นสงวรแก่สักการะและบูชาไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวกับลาดยศสรรเสริญแต่งตั้งเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นไม่ใช่พระอันนั้นเป็นแค่สมมุติบัญญัติเป็นแค่ภิกษุเนาะตอนนี้เราไปติดรูปแบบไงนะหลายคนถามพระครูหลายปีพรงครูทาไมไม่บวช บวชไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วแล้วตอนนั้นก็พูดขังพูดเสียงดังนะ เ, ออเพราะว่าเราติดรูปแบบไงพระครูไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติใครใช่ก็ใช่ใครไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะพระอยู่ในภูเขาจิตไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกนะและพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อบางคนอยากพิสูจน์ว่าตายให้พระคู ด, ดูสิอย่าไปคุยว่าฉันมันรู้ทรรขั้นไหนเราต้องตายก่อน นะตายแล้วเห็นด้วยตาเนื้อว่าใครทําได้แค่ไหนนะก็ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งสาสปีพ่อครูไปอยู่ตัวนั้นห้าศพที่มีโอกาสได้เผาที่ศูนย์ทุกทุกศพล่ะวันที่จะไปนนิ่งแต่แต่ละศพบรรมีไม่เหมือนกันนะแต่ว่าที่เหมือนกันคือสงบนิ่ง ไปแบบง่ายๆนะศพแรกคือคุณยา่าแม่พ่อกูเองอครั้งสุดท้ายก็เดินทางมาศูนย์มาเยี่ยมลูกหลานพ่อกูไม่ให้แกไปไหนละอายุ90้าะเห็นพลังชีวิตอ่อนมากแต่จิต ท, ท่านดีมากสติยังดีดีจนไม่อใสุดท้ายละ90ไม่มีหลงหลงหนึหง่งเดมเพราะท่านปฏิบัติมา20กว่าปีหลังจากพ่อกูระเบิดแล้วสอนท่าน ก็ให้ท่านอยู่สามเดือนสุดท้ายท่านมาใช้ช่วยเนี่ยปฏิบัติทุกวันเสมอต้นเสมอปลายนะก็เผาสอบออกมาก็แนวเราแปลกนะแปลกก็คือว่าเราฟอกจิตไม่เหมือนคนอื่นจะมีสีขาวด้วยสีทองด้วยนะเออสีน้ำตาลด้วยมีแสงมีสีนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสายที่ฝึกแบบพระโพธิสัตว์ ควรอิ่มคุณแม่เนี่ยก็เสียชีวิตตอนอายุ90เป็นคนแรกและเป็นคนแรกที่มาเปลี่ยนมาชี้ทางพ่อครูท่านเป็นคนจีนสุสานก็จองไว้เรียบร้อยละคุณพ่อก็อยู่ตรงนั้นแม่ที่หนึ่งแม่ที่สองก็อยู่ตรงนั้นแม่พ่อครูเป็นแม่ที่สาม พอวันปลายปุ๊บเนี่ยสองอาทิตย์สุดท้ายท่านเรียกลูกหลานมาจากทั่วประเทศมาปกติเนี่ยท่านไม่ต้องการให้ลูกหลานมารบ ก, กวนตลอดชีวิตท่านเนี่ยเกิดมาเมื่อใช้นีก่กรรมอย่างเดียวนะกลัวจะลูกหลานไม่ทํามาหากินนะไม่ต้องมายุ่งแต่สองอาทิตย์สุดท้ายท่านปล่อยให้ลูกหลานมาหมุนเวียนอุปถาขั้นเฝ้าท่านแต่ละคืนแต่ละคืนคืนสุดท้ายพ่อกูก็เปิดโอกาสให้เขาพวกเขาไม่มีโอกาส จเจริญทำเท่าไหร่มวจะทำมาหากินนะก็ให้เขาทำบุญครั้งสุดท้ายดูแลแม่คืนสุดท้ายเพราะกูอยู่ที่พักตีสองจิตตื่นขึ้นมาพวกกูก็เดินทางไปดูแลแม่แล้วก็ให้พวกเขาไปนอนหมดนะพวา ก, กูก็ให้พลังแกจนถึง6โมงเช้าตอนนั้นก็ยังมีอาการทุกเขเวทนาอยู่หน่อยหนึ่งนะ เพราะว่าตอนอายุ89ปีนึงน่ะน้องๆก็พาแกไปผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้ปกติแกก็ไม่ได้เป็นอะไร เ, เรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเขาก็เจ็บเพราะพ่อครูให้พลังแล้วเนี่ยเขาก็ข้างผลเวทนานั้นพอหกโมงช้ า, าพ่อคูก็ออกไปสารลานวาดซึ่งเป็นพยาบาลก็เข้าไปล้างตัวแกนะแกไปอยู่คาอ้อมกอดนวาดเลยเนาะโดยไม่รู้ตัวนะตัวนิ่มไปหมดนะที่ศูนย์ ใครเสียชีวิตตัวแข็งเนี่ยพวกคูไม่เผาให้นะศพที่สองคุณพ่อหมอยาหมอยาก็ปฏิบัติก็เอาพ่อเอาแม่ไปนะพ่อเขาก็ไปอยู่ไม่นานก็ปฏิบัติเกือบปีเนี่ยนะก็พาไปโรงพยาบาลกับอกแกไม่กลับไปหาพ่อกูเนาะแกก็สงบนิ่งยูนอยู่อยู่ในศูนยะ์พอเผาศพ ฝืนหมดไปตั้งครึ่งหนึ่งไม่ไม่ธรรมดาหัวกระโหลกเราเนี่ยเปราะบางมากมันจะระเบิดก่อนคอนี้จะหักไม่ไมนะลุกขึ้นมานั่งกรรมาฐานอยู่ในกองฝืนคนงานที่ดูแลนี่วิ่งกันใหญ่เลยเพราะกูก็เดินลงไ ป, ไ ป, ไป เ, อเอาไม้ไผ่ดันลงไปนอนลุกขึ้นมานั่งสามครั้งอันนี้แสดงว่าจิตวินาทีนั้นน่ ก่อนจะขาดใจเนี่ยจิตหนีเข้าไปอยู่ในฌานนะที่เขาบอกติดสุขในฌานสายนี้สายทิเบตสายมหายานบางลัทธิเขาจะเลือกตายแบบนี้เขาจะตายท่านั่งท่ายืนท่าแบบไหนก็ได้เขาจะเข้าไปอยู่ในฌานภาษาจิตบอกว่าเพาเซฟเขาเขาจะเอาปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาข้ามเวทานานั้นไม่ได้เนี่ยเขาไปศูนย์ทุกขติภูมิ นะตอนนี้อันนี้เกิดไปเป็นพมอันนี้พมแน่แต่เขายินดีมาเกิดอีกสายนู้นเขาบอกว่าเขาใช้อุบายว่าเขาอยากเกิดดีเขาจะเป็นบุทธเจ้าเขาจะเกิดมาสร้างบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยผทดเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นอะไรนะไม่ได้สอนให้เราเป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อาการของโพธิสัตว์คือคนมีจิตเมตตาธรรมนะชอบเมตตาชาวโลกนะ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อเป็นโพธิสัตวนะ์ก็จิตดวงนี้คุณพ่อหมอยาสวรร์สมบัติแต่เป็นสวรร์ชั้นสูงสุดก็คือเป็นพรหมพอสามครั้งขึ้นมานั่งแล้วพวกว่กครัวถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยฟืนหมดก็ไม่ไหม่นะพ่อครูก็ไปจิตสื่อจิตบอกพ่อพออละแสดงถามแค่นี้รู้และอย่าห่วงหลังก้าวไปข้างหน้าแกก็นอนลงไปแล้วก็ไม่ ศพนะนี้ก็ไม่เหมือนนะอีกศพหนึง่งแม่พี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กก็ไปสารากลางคืนกลับมาคิดว่าแม่อากาศเย็นก็ไปห่มผ้าให้แม่แม่ไปแบบนิ่งๆไม่รู้เลยแล้วก็ตัวนิ่มเหมือนกันแต่แม่พี่ปุ๊กเนี่ยเผาแล้วก็ไปสวรรค์สมบัตินะก็คื อ, อ, อบา ร, รมีเขาแค่นั้นแต่ยังน้อยแล้วก็ไม่ตกนรก ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแล้วอีกศพหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่ายายสอนเป็นแม่ยายพ่อครูเองนะเป็นแม่คูโก้แกตัวใหญ่มากอันนี้นว่าก็พาไปลงบาแต่นี่เขาไม่ได้อยู่ในศูนย์เขาไม่ใช่คนศูนย์เขาอยู่ในไร่แต่ก็เป็นคนจิตใจดีนะแกไม่เคยขออะไรพ่อครูเลยแม้แต่หนึ่งอย่างเป็นคนโอบอ้อมมารี เขายินดีในความเป็นของเขานะแล้วก็บังเอิญแกเป็นเบาหวานเหมือนกันนะแล้วก็พาบังคับให้มาปฏิบัติเพราะครูบังคับแกก็มาทําปุ๊บขาแกก็เจ็บหมายถึงมันเป็นวิบากอนะ่แะแล้วแกก็ต้องเสพวิบากตรงนั้นอนะ่ะรู้สึกสองสามปีนะอยู่อยู่ในไร่วันนั้นนาว่าก็พาเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองปุ๊บเนี่ยแกก็ไปแบบง่ายๆอยู่ในออมกุกนาวาา ยายสอนนี่วันที่เผามือแกยังดีดออกมาอยู่ขายังดีดออกมาเวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราวางไม่ลงมันจะเก่งถ้ามันเจอความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะยืดนะเพราะแกะยังไม่ข้ามพน้นวันหนึ่งลูกสาวแกคนหนึ่งที่เป็นครูครูปูเนาะ ตั้งท้องก็เป็นนั่งอยู่หัวศกแกเพราะคุณนั่งบังเกินพอดีเนี่ยปุ๊บแกเข้าคูปูเลยพรุ่งนี้คลอด น, นะตอนนี้เป็นลูกคูปูอันนี้มนุษย์สมบัติหน้าตาเหมือนคุณยายเลยไม่ไม่เหมือนแม่เขากับพ่อเขาอันนี้แหละทันทีเลยบางคนสงสัยว่าเออเราตั้งท้องไม่ใช่ดวงจิตมาใส่เหรอไม่ใช่ตอนเราตั้งท้องนั้นเป็นจิตของแม่นะ อาศัยพลังแม่เขาจะมาเข้าตอนบั้นปลายสุดท้ายก่อนใกล้ๆวันนั้นอนะ่ะไม่กี่วันนะปุ๊บเนาะทีนี้จิตมันยังผูกอะไรอยู่มันก็กลับมาตรงนั้นอันนี้มนุษย์สมบัติเนาะส่วนศพสุดท้ายก็ศพพระของเราเนี่ยอันนี้อริยะสมบัตินะวินาทีสุดท้ายสําคัญมากแต่ถ้าเราเวลาชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่มุ่งมั่นม็นเปียนทําไมผู้เจ้าสอนให้เราทําดีละชั่ว ต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสด้วยต้องทำสามอย่างทำดีเพื่อมีพลังนะเพื่อมีพลังเดินทางนะละชั่วอย่าสร้างกรรมใหม่เหมือนลูกโป่งมันลอยแล้วเนี่ยมีพลังมหาศาลบา ร, รมีเราก็มีอยู่แต่มันถูกเชือกดึงไว้หลายเส้นเส้นใหญ่ที่สุดคืออะไรคือกรรมส่วนเส้นรองลงมาเราไปสร้างผูกพันสร้างเหตุขึ้นมานะไปยึดมัน่นถือมั่นต่างๆเห็นม การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างบา ร, รมีที่เราสร้างบุญบา ร, รมีเราทําบุญบ้างเพื่ออะไรเหมือนรถยนต์ต้องเติมน้ํามันไม่มีน้ํามันมันก็เดินทางไม่ได้นะเหมือนจิตมันต้องเติมน้ํามันให้จิตมันจะมีพลังตัดเชื่อกแค่ตัดเชื่อกทีละเส้นทีละเส้นลูกโป่งมันพร้อมที่จะลอยแล้วนะบางคนมัวแต่สร้างบา ร, รมีสร้างบารมีทานบา ร, รมีอย่างเดียวนะเหมือนเป่าลูกโป่งให้มันใหญ่ขึ้น เพิ่มลูกปวงให้มันเยอะขึ้นนักกาเดียวกันก็ไม่ยอมตัดบ่วงนี่มันไปไม่ได้นะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราเพิ่มอะไรเลยนะสอนให้เราลดละเลิกเพราะเราสร้างบา ร, รมีมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็สร้างอีกเพื่ออะไรเพื่อเติมน้ำมันนะเพื่อให้มีกําลังตัดบ่วงเพื่อลดละเลิกความโลภความตญีถ้าเรามีโลภมีมีความโลภมากเราก็สร้างกรรมใหม่เยอะใช่ไหม ก็ต้องละชั่วด้วยนะแล้วก็ตัดบ่วงไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งอย่าดูถูกตัวเองนะทุกคนมีสิทธิ์ทำได้นางวิสาขามนุษย์โสดาบันไั้แต่เจ็ดขวบเดนมันดิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นพระอรหันต์ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเห็นไหมนะเราเกิดเป็นมันเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะ่ยทุกคนมีสิทธิพญานาคเขาบำเพ็ญเพียรได้ตอนนี้พญานาคเป็นสัตสัตโพธิ โพธิสัตว์คือสัตว์าหะของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจะเป็นมังกรพวกนี้สเปซี่นี้เขนเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายไม่ได้เขาต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งเราเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยมาต่อ ย, ยอดเนี่ยถือว่าเราจะสูญเสียชาติเกิดโดยใช่เหตุนะพวกกครูไม่ใช่คนหลงงมงายพวกกครูไม่ได้เชื่อไสยศาสตร์นะ อยู่อเมริกาพวกกูปเป็นคนไทยกลุ่ม แ, บบแรกๆผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลกไม่เคยเชื่อเรื่องพวกที่จับต้องไม่ได้แต่หลังจากเราเระเบิดแล้วเราเห็นสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นความจริงตามธรรมชาตินะอันนี้มรณานุสตินี้สำคัญมากพิจารณาบ่อยๆเหมือนเราเตรียมตัวตายเราล้มหายลงไปเึ่อว่าเราเกิดอุบิเหตขึ้นมาถูกรถชนมาปึ๊บนะ วินาทีนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมยังห่วงอะไรอยู่ไหมถ้าจิตมันยังติดบ่วงอยู่มันไปไม่ได้นะแต่ถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยเราจะวางตัดบ่วงนั้นไม่ได้พ่อครูก็สั่งแก้วทิพอะแม่เขาเตือนแล้วอะแม่นี่บุญแกเนีวินาทีสุดท้ายอยู่ข้างตัวพ่อครูวินาทีที่แกเจ็บแกบอกเกิดมาไม่เคยเจ็บอย่างนี้เลยคือลมที่เป็นก้อนเนี่ยพอแกนอนลงไปเนี่ย มันก็ไปทับมันก็ดันขึ้นมาพอครูก็เอามือล้วงไปดูมันเหมือนเหมือนท่อน้ํำเป็นท่อลมมันดันขึ้นมาพอมันดันขึ้นมามันก็ทับปลายประสาทแกก็เจ็บแกมีสติแกถามว่าพ่อครูให้ป้าทํำยังไงแกศรัทธาพ่อครูมากป้าฝึกมาแล้วตามลมหายใจโลเลวเร็วเจ็บก็อย่าไปเจ็บกับมันแล้วพ่อครูจะจัดการให้พ่อครูก็คลายลมการแกก็จับลมแกก็นิ่งไปได้และให้แก้วทำต่อ เห็นไหมแก้วเหงื่อจะยิ่งแก้วไปขอไปห้องน้ำแค่นาทีเดียวแก็ไปเลยถ้าวินาทีนั้นมีคนอยู่เป้าห้องจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วก็ดีไม่ดีบรรลุทำไม่ได้ด้วยอย่างวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไม่รู้เรื่องดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เที่ยวนี้ก็ชัดเจนไปปุ๊บก็ให้น้ำเกลือตรวจหัวใจตรวจความดันตรวจปอดเขาอะไรไม่เป็น หมอมาไม่ได้ดูคนไข้ก็ไปนั่งดูจิ๊กเออเห็นผลตรวจเลือดม็ดเลือดเลื้อดขาวมากเป็นปกติสงสัยติดเชื้อเอาอะไรจะไปฆ่าเชื้ออีกบางทีเชื้อดีเชื้อเชื้อไม่ดียังไม่ตายนะไตาวายก่อนก็ฟอกไตนะคือเขารักษาเขาไม่รู้เรื่องลมบางทีเป็นลมปามันไม่เดินอย่าว่าแต่คนพค่อคูนี่ถึงขนาดนี้พ่อคูบางทีก็ยังเป็นนะพ่อคูลงไปตากแดดเยอะๆเนี่ยพ่อคูเป็นเพราะว่าพ่อคูธาตุไฟ ว, วันที่สิบเกตเดินทางมาที่กรุงเทพลงดอนเมืองปุ๊บน้ำมูกพวอคูไหลทันทีเลยเห็นไหมพวอคูแก้วกรุงเทพไม่เหมือนเก่าแล้วคื อ, คอธรรมชาติมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็อน้ำมูกของมาเนี่ยเพื่อมาต้านไอ้พวกฝุ่นละอองเออแล้วก็ไปอยู่นนบรรยายเขาก็เอาไอ้ อ, อ, อ, อดนะีมันก็ดีอยู่ แต่ทีนี้มันเป็นธาตุไฟนะเพระกูไป็นพวกูกินหมดกระติบเลยนะตัวร้อนขึ้นมาหมดเลยคืนนั้นนะนะเขากูไฟอยู่แล้วถ้าจะกินอะไรมันต้องเป็นธาตุเย็นนะบางทีว่าเออไอ้ตัวนี้รักยาตัวนี้รักษาตัวนี้นะว่ า, าก็เหมือนกันส่งให้ไปเรียนรู้สมุนไพรก็เหมือนกันนะเออเย็นเอาร้อนใส่ถ้ามันร้อนเอาเย็นใส่นะ แกรู้ว่าพ่อกูร้อนแกจะเอาผลไม้เย็นให้พ่อคูส่กินเข้าไปเพราะว่าน้าว่าลืมน้ำตาลไหมนี่เราเราเรียนแบบนั้นไงพอรักษาแบบนึงไปเพิ่มอีแบบหนึง่งนี่เรียนรู้แบบแยกวิชาต้องระวังนะอันนี้พ่อกูแก้วทิ์มาวันแรกปุ๊บคันทั้งตัวพวกเราอยู่ชนบทนานแล้วในอากาศบริสุทธิ์พ่อคูนี่เซนส์ทีบมากถ้ากินอะไรผิดไปพว บ, บางทีมันออกมาตอนนั้นเลยนะ แต่เราอยู่ทางนี้บอกให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันแต่พวกเราอยู่ที่นี่ธรรมชาติจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคือทําให้เราเหมือนไม่อเ勒จิกเหมือนไม่แพ้นะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราปริเสธไม่ได้เราก็สูตรมนลภาวาเข้าไปทุกวันนะี่ยนะเพราะว่าทุกคนจริงต้องปฏิบัติเยอะๆนะเพราะว่าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เมื่อเช้าก่อนวิทักก็เปิดน้นําเออเราต้องดูแลตัวเองนะ่ยเพราะสังคมข้างนอกเนี่ยมันเป็นไปทั่วแล้ว นะเชียงใหม่ก็เป็นเมืองสวรรค์ในอดีตนะสิปีมาปุ๊บผม ก, กูก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้สนามบินนะบ้านตากอากาศมันเย็นเงี้ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันไม่ใช่ละนะข้างบ้านคุยแต่เรื่องที่เราหนีมันมานะแล้วก็ถอยๆจนไปอยู่ในป่านั้นตอนนี้เชียงใหม่ไม่ใช่เมืองสวรรค์ละขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาของโลกเห็นไหมหลายอย่างเราคิดไม่ถึง เราองค์ความรู้เราเป็นยังไงไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่ต้องห้ามตอนนี้คอมมิวนิสต์จีนนี่ความเจริญเขากําลังจะแซงอเมริกากัญชาเนี่ยเป็นสองต้องห้ามเป็นสิ่งน่ากลัวตอนนี้แย่งกันทั้งโลกเป็นทองครับบางทีองค์ความรู้เรามาแล้วก็สร้างอัตตายึดมั่นถือมันในความรู้ มันรู้ส่วนหนึ่งมันไม่รู้จริงรู้ตามทิฏฐิมานะของตัวเองเห็นไแต่ถ้าเราฝึกจิตแล้วจิตเราอิสระเนี่ยเราจะไม่มีทิฏฐิมานะเราจะมองอะไรตามความเป็นจริงมองตามที่มันเป็นคนแก่ถ้าไม่อยากแก่ก็ทุกข์เพราะฉันไม่อยากแก่อุ้ยจะเป็นนนเป็นนี่แต่เมื่อเช้าสั้นๆคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่เป็นคนแก่ไม่ใช่แก่เพราะอายุ แกเพราะประสบการณ์เยอะพ่อบอกว่าแกขนาดที่ไปทุกทําไมอันนี้เริ่มจิตวิ ญ, ญญาณเรื่องที่ดีนะแต่ว่ากายภาพก็ดูแลมันหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ไปเครียดไปทุกข์กับมันไม่ใช่กังวลจนอะไรอะไรก็ไม่ได้อะเนาะอันนั้นน่ะไปเพิ่มความหนักของจิตวิญญาณนะเออคุณแม่คุยกับพ่อครูว่าตอนนี้ตานะตรง น, นั้นมันเสื่อมก็เป็นอย่างนี้ตาพ่อครกูก็เริ่มเป็นเที่ยวนี้คุณหมอก็ขอร้องพ่อครูตรวจ พราครูก็รู้ <acceptable. S 1> ่เออช่วงหลังเนี่ยขับรถไปบางทีมันก็มัวแต่ถ้าพ่อครูนั่งเพกพูดตัวนึกสิแล้วก็เห็นแต่บางครั้งมันบางพ่อคูก็ไม่เห็นแต่มันไม่กระทบความรู้สึกพ่อครูพ่อครูก็ยอมรับมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องแยกจิตแยกใจเนี่ยปฏิบัติไปด้วยกันเมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วมันไม่ได้แยกมันไม่ได้ทิ้งกายแต่มันวางกายไม่ใช่เราฝึกไปแยกก่อนนะแยกกายแยกจิต แยกไปแยกมามันแยกกันตลอดการเลยที่นี่กายมันว่ามันก้าวหน้าไม่ได้ให้มันเรียนรู้ด้วยกันก่อนเมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันไม่หลงกายมันก็วางกายไม่ใช่ทิ้งกายนะมันก็อยู่กับขันห้านี่แหละแล้วก็ใช้ขันห้านี้ทำหน้าที่นะไม่รู้เวลาเป็นยังไงนฮะเกือบสิเอมีบนาทีค่ะอีกยี่สห้า มีเวลาอยู่กั บ, บ, บก็คำว่าตายเนี่ยสมมติว่าเราเกิดมาถ้าผู้ใหญ่เขาสอนเราว่าการตายเนี่ยมีความสุขอย่างยิ่งเราใส่อุปท า, านเข้าไปนะพอเราเห็นคนตายปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนตายเขามีความสุข เพราะเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วเห็นไมแต่เราบันทึกว่าตายนี่มันน่ากลัวมากนะความตายมันน่ากลัวเป็นสิ่งไม่ดีเราจะสูญเสียสิ่งที่เรารักแล้วก็กลัวตายเห็นไหเราบันทึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเเราบันทึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราบันทึกว่าต้องเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆรวยแล้วจะมีความสุข ทุกคนก็อยากรวยเราหวังว่าถ้ารวยแล้วจะมีความสุขนั่นเป็นบันทึกเพราะครูก็ถูกหลอกไปสี่สิปีบังเอิญบุญเก่าทําให้พ่อ ก, กูรวยจริงๆแต่พ่อคูหาความสุขไม่เจอเห็นไหมบังเอิญบุญเก่าที่เราสร้างมามันก็ปลดล็อกพ่อคูให้ดุดทวนจากตรง น, นั้นเราก็เห็นเราก็เห็นว่าเออความสุขจริงๆมันคืออะไรเห็นไหมนี่แหละคืออุปทานที่เราบันทึกขึ้นมาเอง ผู้เจ้าไปเห็นไงเห็นว่าจิตหลาเปื้อนแล้วไงพระองค์ถึงบอกว่าต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสพอจิตผ่องใสแล้วร่างกายก็ผ่องใสกระดูกก็ผ่องใสนี่คือลักษณะที่กระดูกผ่องใสเจอความร้อนไม่เป็นไรเผาไปเลยเนาะเผาไปเลยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะยังมีกายวิญญาณอยู่เนาะ แล้าร่างกายจะเปลี่ยนได้ยังไงจากวันแรกที่ไม่หายใจแล้วอีก9้าวันมาเนี่ยใสกวัวเก่าปากแดงกวัวเก่าอะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าอะไรล่ะกายวิญญาณมันยังอยู่และจิตนั้นกำลังมาเป็นเพียรสร้างบา ร, รมีนะบา ร, รมีนั้นน่ะมาสะท้อนกับร่างกายด้วยนะกระดูกเราก็เปลี่ยนได้เพราะพลังจิตนะเอาเป็นว่ากายจิตต้องอยู่ร่วมกัน ถ้าพระครูให้คะแนนกาย30จิต 70% จิตนี้รวมกับอารมณ์ด้วยถ้าไม่มีจิตความรู้สึกก็ไม่เกิดขึ้นนะกายจิตอารมณ์3มอย่างแต่ทุกวันนี้เนี่ยวิชาการต่างๆเราเป็นเน้นแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องรูปธรรมวิทยาศาสตร์เป็นเน้นเรื่องช่างตวงวัดได้เรื่องนั่นน่ะแล้วก็เราละเลยเรื่องจิตวิญญาณ ชีวิตเราจึงไม่สมบูรณ์แต่ถ้าจิตวิญญาณเราสมบูรณ์กลายเป็นนู่นเป็นนี่หน่อยยังไม่ทุกนะเพราะจิตมันยอมรับนะถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่ทุกเห็นไหมทุกอย่างจึงจบอยู่ที่จิตนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่ง3าสปีพ่ะครูเนี่ยที่นู่นบาเพ็ญเพียรทุกวันนะ ดวงจิตซึ่งบันเพนเพียนก็มาอยู่กับเราจิตซึ่งเป็นอริยะก็มาอยู่กับเรานะยกตัวอย่างว่าทางโลกเสว่าคุณผู้ชายเราขี้เล่าถามว่าวันหยุดนี่เราจะไปอยู่ไหนเราก็ไปอยู่กับเพื่อนที่วงเล่าด้วยกันคนนี้ชอบกีฬาตีกรอบวันหยุดไปอยู่กับตีกรอบนี่เป็นสัญชาตญาณของจิตจิตออกจากร่างเหมือนกัน ถ้าเขาชอบมันเพ่นเพียนเาก็จะไปอยู่ในสถานที่เขาบันเพินเพียนเทวดาชอบสุขนะก็ไปอยู่ที่บรรยากาศดีๆนะเปตอสูรกายก็ไปที่ว่าตกนรกมั น, ม, นมันไม่ใช่แดนนะมันเป็นความรู้สึกทุกข์เหมือนถูกต้นเหมือนขึ้นต้นงิว้วจิตเราไม่มี ไม่ไม่มีร่างจะเอาใครไปต้มเหรอเอาใครไปเผาเอาใครไปขึ้นต้นนิ้วเหรอแต่ความรู้สึกเขาเขาวาดนรกให้เรารู้ว่าทุกเหมือนเราถูกต้มนั่นแหละทุกเหมือนเราขึ้นต้นนิ้วมันมีหนามมันไม่ใช่แดนแบบนั้นมันเป็นเลเวลเป็นอุณหภูมิของความทุกข์สวรรค์เหมือนกันสวรรค์ฝรั่งสวรรคไทยนี่วาดออกมาไม่เหมือนกันเทวดาเขาเทวดาเราไม่เหมือนกันแต่สะท้อนให้เห็นความสุขว่า จิตมันสุขแบบเทวดานะเอาเป็นว่าตอนนี้ศูนย์พลานคอย30ปีพ่อครูป้าหองมาแสดงชัดแล้วว่าสถานที่แห่งนั้นมีพลนันไม่ต้องพึ่งพ่อครูแล้วส่วนหนึ่งแน่นอนพ่อครูเป็นคนสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้โดยตัวสถานที่เองแม่หมอยาหลังจากเห็น๊บแกก็เขียนพินายกรรมว่า แกไปตายที่ไหนก็ช่างไปเผาที่ศูนย์พระลานคอยถ้าพ่อครูยังอยู่นะแกก็สั่งนะหมอยาบอกพ่อครับอกกับแม่เปลี่ยนคำพูดใหม่เอาว่าพ่อครูยังอยู่เนี่ยตัดทิ้งไปไม่เกี่ยวกับพ่อครูไปเผาพระลานคอยเพราะแรงส่งจิตวิญญาณนั้นมันไม่เหมือนที่อื่นนะลูกหลานเราพระเนรชีร้อยกว่ารูป นะถึงเมษานี่จะสึกอะไรก็ช่างมันเกี่ยวกับรแต่งกายเรามันเป็นเพียรทุกวันแล้วก็ตัวสถานที่เองเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตกวนอิมตรงตำหนักกวนอิมหรือเป็นพระใหญ่แล้วก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันมันมีพลังเหมือนคนอินเดียคนมีเงินหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทําวิธีใหญ่โตเอาพระมีชื่อเสียงอะไรอะไรไปแค่เป็นเกียรติเฉยๆอันนั้นของเกย์มันไม่ได้ช่วยส่งจิตวิญญาณเลยแม้กระทั่งมีญาติรถเสริอแล้วก็ เอ่อมาพูดแต่แล้วเอาเสินเสินเนี่ยทำให้จิตเรานเนี่ยเปื้อนไปด้วยเราไปให้จิตโมดิสุดเนี่ยมาส่งวิญญาณเราช่วงไม่กี่วันที่อยู่งานศพนั้นมันมีผลขับเคลื่อนนะและเราก็ไปลอยอังคารที่ไหนที่โขงเจียมแม่น้ำโขงทำไมต้องเป็นแม่น้ำโขงซ้ายมือเป็นแม่น้ำโขงมันสีน้ำตาล สีแดงแดงเพราะมันมาจากภูเขาขวามือเป็นแม่น้ํามูลเนี่ยสีเขียวเขียวไปชนกันอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีฝั่ง น, นู้นฝั่งลาวมีภูเขาเห็นไหมเออแล้วก็มีเกาะแก่งอันนี้เขาเรียกว่าหวงจุ้ยหวงนี่ไปว่าลมจุ้ยไปว่าน้ําที่ด้นสมบูรณ์นะหลวงพ่อคูณทำไมทำพิธีกรรมไว้เป้าห้องลอยวันที่ยีบเจ็ด ลอยก่อนล้มพะคูณอีกสามวันล้มพะคูณทำพิธีไกรรมแล้วว่าเผาแล้วเอาไปลอยอังคารที่หนองคายมันอยู่ทางเหนือเรานะแม่นำ้ำขงเจียมนี่ใต้สุดของเมืองไทยออกจากขงเจียมนี่ออกไปลาวไปขเขมรออกไปสู่ทะเลนะทำไมต้องเป็นแม่น้ำขงต้นตกาเนิดของแม่น้ำขงนี่ส่วนหนึ่งมันเกิดจาก ภูเขาน้ําแข็งหิมาจากภูเขาหิมาลายเนี่ยไหลลงไปในนั้นคนอินเดียเขาถึงเอาแม่น้ําคงคาเนี่ยเอาศพเลยลอยเนี่ยทิ้งไปรู้ม่าจะตีศพศพซึ่งเขาเรียกว่ามันชงอะเผาไม่ได้เขาก็เอาไปลอยนั่นอะไรก็เทใส่แม่น้ํำคงคาทําไมไม่เน่าเหมือนเราตายเราไม่เน่านั่นแหละมันมีพลังอยู่เนาะแต่วิชาศาสตร์ไม่รู้เรามันเกิดอะไรขึ้ น, นทีนี้คนเขามีสตังหน่อยเนี่ย เขาจะวางทุกอย่างเลยเขาจะไปเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือโรงแรงข้างๆนั้นนะอยู่นะกชับบริษัทที่เขาทำพิธีนี่นั่นแหละตรงนั้นน่ะเผาศพมาสองพันกว่าปีวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบศพไม่มีวันหยุดเพราะคนที่เขาฝึ ก, กจิตวิญญาณเขารู้เรื่องนี้การที่เราไปเผาตรงไหนเอาไปลอยตรงไหนเนี่ยมันส่งผลถึงอนาคตตชาติ อันนี้สําคัญมากนะพระครูแนะนําว่าคุณครูทุกคนมีสิทธิ์เอาเป็นว่าเนื่องจากว่าเป็นลูกหลานของศูนย์พรลานคอยไม่ใช่ใครจะไปขอให้พวกครูเผาให้ไม่ได้ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันมีพลังส่งจิตวิญญาณนะและต่อไปคอยดูหลังจากพวกครูทําให้ดูแล้วเนี่ยทุกคนต้องไปลอยแม่น้ําโขงและแม่น้ําโขงภายใต้แม่น้ําโขงตลอดแนวเนี่ยเป็นเมืองบาดาลของพญานาคบําเพ็ญเพียรทุกวัน แต่มนุษย์เราไม่รู้หอะไปอุดรไปอะไรเนี่ยไปปลุกพญายนาขึ้นมาขอหวยขอเบอิกเขากิ้วมากเขาตึงทำให้น้ำท่วมเขาไม่สงบแล้วเป็นสัตว์โพธิชนิดเดียวเท่านั้นที่บําเพนเพียรตอนนี้นะและในลำม่น้ำโขงเนี่ยข้างล่างเนี่ยหลวงพรคุณถึงระบุเลยว่าไปลอยที่โนูน้นนะหลวงพคุณเผาโคราชไม่ได้นะที่นูนนะ้น่ะ เกิดกีรยุก์ท่านมอบสริราท่านไปให้หมอขอนแก่นไปพาแตเ่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเสร็จแล้วเขียนไว้เลยว่าเนี่ยเผาเสร็จแล้วไปรอยอังคารวันที่ไปรอยอังคารเนี่ยทุกคนได้ติดตามข่าวนี้ไหมพิธีพิถันมากเขาสร้างเมนชั่วคราวขึ้นมานะเห็นหมเผาแล้วปุ๊บตั้กรรมการสี่คนนะมีข้าราชการผู้ใหญ่เนาะมีผู้ว่าสามจังหวัด ที่โคราชหลวงพักคูณอยู่ที่ขอนแก่นที่ที่หมหาวิทยลาลัยขอนแก่นอยู่เอาท่านไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ที่หนองคายทลอยอังคารแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เอาที่การบดีขอนแกน่นคนนึงถือกุญแจคนรอดอกนะทั้งที้เท่าทั้งอัฐิท่านนะอยู่ในนั้นนะ่ะหลังจากเอาออกจากปุ๊บปิดปุ๊บล็อกไว้เลยฝุ่นละอองเม็ดหนึ่งก็ไม่แหวออกมาถ้าออกมาเป็นยังไงรู้ไหมนะเพราะหลวงพักคูณตลอดชีวิตท่านเนี่ย เป็นเกจีอาจารย์ทางด้านทางด้านเครื่องรางาของขังเดี๋ยวแย่งกันตีกันฆ่ากันก็ไปลอยวันที่ลอยแล้วเนี่ยโอเคทาพิธีอยูบนเรือเสร็จแล้วเนี่ยสี่กรรมการมาเปิดเบิดได้อีกคนหนึ่งเปิดไม่ได้ดอกเบอร์หนึ่งเกิดไม่ได้เพราะอะไรทีแรกตกลงกันแล้วเนี่ยนะเขาให้ลูกศิษย์เอกหลวงพ่อคูลซึ่งเป็น ในอำเภอเมืองสมัยก่อนอยู่โคราชและยายเนี่ยเป็นคนถือแต่ช่วงหลังเขามาเปลี่ยนเขามาเปลี่ยนคนใหม่เปิดไม่ได้ก็ไปตามคนนั้นมาก็เปิดได้ทีนี้ก็เทลงไปแม่น้ําโขงหมดห้ามแม้แต่หนึ่งคนเอาเม็กนิมาทั้งเปเม็ดหนึ่งพอเสร็จไม่ถึงสองวันก็ออกโทรท่านมีคนอ้างว่านี่นี่อันนี้เป็นที่ท่านนั่งอยู่อันนี้เป็นจีวรท่านเดี๋ยวจะไปทําเครื่องรานของถั ง, งท่านก็กลัวอย่างนี้ไง ท่านบอกมนุษย์ดีๆก็มาหากูไอ้คนทร่วก็มาหากูนั่นแหละเห็นไหมท่านอย่างรู้ท่านมียานรู้ท่านถึงป้องกันทุกอย่างเนเอาเป็นว่าพราะกูลอยอังคารที่นั่นน่อาสู์เผาแค่ห้าศพแต่ที่ศพผ้าก่อนหน้านี้เราก็ลื้อสุสารทั้งหมดล่ะเอาไปลอยอังคารอยู่ที่ขงเกยมแล้วสิบเศพอยู่ที่นั่น แล้วไม่รู้กี่ศพอยู่ตรงนั้นนะที่นั่นมีพลังนะโดยสถานที่แล้วก็มันอยู่ในบรารมีที่เรามันเป็นเพียงที่ศูนย์พลานค่อยทุกวันมันไม่เหมือนกันนะศพที่เผาพลานค่อยเ้าวันเจ็ดวันก็ช่างเนี่ยยุงเทพเนี่ยทำธุรกิจเผาศพอ่าไปวัดปุ๊บเลี้ยงพระเสร็จกลับบ้านทิ้งศพให้เขาอยู่คนเดียว ที่ศูนย์เราไห่24ชั่วโมงเรามีเพื่อนอยู่นะเราปฏิบัติธรรมปฏบิบัติบูชาทุกวันนะพลังสงจิตวิญญาณมีแล้วก็โดยสถานที่วิญญาณที่เขาบำเพ็ญเพียร เ, เขาก็อยู่กับเราตรงนั้นนะอันนี้กายหน้าพระครูเที่ยวนี้เห็นชัดแล้วนะก็มีคำถามมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมรณาอุสสติกับการเจริญสติมีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไรการเจริญสติคือเธอให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมแต่การเจริญบาราณาชสติตีนี้ให้เราระลึกถึงความตายตลอดเวลานะเพื่อให้เราเตรียมตัวตายอย่าประมาทเหมือนเราตายทุกวันถ้าเราถามาตัวเองเนี่ยพรอตายไหมบางคนร้องไห้ขึ้นมาเลยนะตายไม่ได้มาติดอะไรผิดก็แก้สิแก้แก้แกแก้ต้องพิจารณาทุกวัน แต่สตินั้นต้องใช้ทุกวันต้องต้องใช้มันอยู่แล้วไม่ไม่ใช่แค่เจริญสติการเจริญสติมีสองระดับคือหนึ่งเป็นการฝึกสองเป็นการใช้สติยิ่งใช้ยิ่งชำนาญ น, นะอันนึงคือฝึกก็คือว่าเหมือนเรายิงเป้าบินนั่นแหละนะเรา ย, ยังมีสมาธิเล็งอยู่ยิ่งยิงผิดยิ่งใหม่ได้ใช่ั้ยแต่เรายิงเป้าบินนะ่ะไม่มีเวลาฝึกไม่มีเวลานั้นต้องยิงเลย ถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยสติเราไม่เร็วกว่าเรายิงไม่ถูกต้องใช้มันแต่พรอครูเน้นใช้ไม่ใช่เน้นฝึกเราฝึกมาหลายชาติแล้วเรามีสติสามโคชมอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนื่องจากชีวิตเราเครียดเขาไปฝึกนั่งสมาธิาาบางทีสวดมนต์ก็มีประโยชน์นะค่อยๆทำให้เราสงบจดจ่อสวดมงต์เราก็ลืมความคิดมันก็สงบไงแต่มันได้ความสงบชั่วคู่แต่ปัญญาไม่เกิดไอไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ แต่เราจเจริญวิปัสนาพุทธมีเราเห็นมันเราก็เอามันออกเอามันออกเหมือนเรายิงเป้าบินยิงบ่อยๆถูกบ้างผิดบ้างต่อไปเราก็ชํานาญเห็นไหมต่อไปมันกระทบผูกปุ๊บเรายิงเลยอันนี้คือปัญญานะเอาเป็นว่าสติต้องใช้บ่อยๆใช้ทุกวันอยู่แล้วแต่มรณานุสติเนี่ยเป็นเตือนเราว่าอย่าประมาทบางทีเราทําอะไรคิดว่ า, าจะอยู่ยงคงกระพันเราจะไม่ตายอย่างนั้นแหละนะีเราต้องเตรียมพร้อม ถึงว่าวันนั้นเตือนแก้วว่าอย่ารออะไรอีกนะอย่าไปรอวันสุดท้ายน่นมันเสี่ยงมากระหว่างทุกขกติกับสุขกติบางทีทําไม่ได้เนี่ยเพว่าเราทําความดีมา80บแม้กระทั่งคนบําเพิเพียรระดับหนึ่งนะอยู่ในศีลเนี่ยทำมาระดับหนึ่งนะแต่วินาทีนั้นสู้สู้สู้สทุกขเวทนาไม่ได้นะทำความดีมา80ทําความชั่วแค่ยี่สบ มันจะไปเสพความชั่วนั้นก่อนบวกกับของเก่าด้วยไปสู่ทุกขกติภูมิเราเอาตอนที่ขันห้าเราแข็งแรงนี่แหละปลดปล่อยมันนะบรรลุตั้งแต่มันอยู่ละเวลาที่เหลือก็ใช้ขันห้าทำหน้าที่ตอนนั้นไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกเขายิงโป้งโป้งป้งไม่ต้องระวังเลยปลอดภัยไม่ใช่ไปรอให้วินาทีนั้นท่านจะวางจะวางเราคิดเอาแต่มันทาไม่ได้นะ เอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีบุญเท่ากันป้าหองเนี่ยบุญแกเยอะมันเกิดอยู่ข้างตัวพระครูเวลานั้นนี่ยแกมีสติเห็นไหมแกมีสติแต่แกไม่รู้จะทํำยังไงแกช่วยเวทนาไม่ได้แกยังถามพ่อครูว่าให้ป้าทํำยังไงเออป้าฝึกมาแล้วเนี่ยเนี่ยเจ็บอย่าไปเจ็บตามมันมาตามลมหายใจก็ดึงจิตให้มาอยู่ทุกคนฟังนะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเกิดอุบัติเหตุเนี่ยดึงจิตให้เรามาอยู่ลมหายใจก่อนคือมาตั้งสติตรงนี้นั่นแหละ เพื่อให้เราออกมาจากทุกเขเวทนานั้นนะความเจ็บปวดมันจะอ่อนลงจริงจนนั้นมันเจ็บ 10% เรนเามาเจ็บที่ใจเพราะเรากังวลนี่อีก 90% ซมันจะหัวใจวายตายก่อนมันจะทนบาดแผลนั้นไม่ได้ดึงจิตเรามาอยู่กับลมหายใจความเจ็บปวดนั้นมันก็อ่อนลงเหลือแค่ 10% บอซอันนี้สำคัญมากอันนี้ใช้สตินะพระหงเนี่ยแกทาได้นะ คือเขาศรัทธาพูดอะไรมีน้ำหนักแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกมาเพราะครูอบอกให้ทํามันก็ทําไม่เป็นเห็นไหมวิทาทีนั้นจนะสำคัญมากถ้าเกิดว่าข้ามพ้นเวทนาไนดะ้ไม่ได้เนี่ยไปสู่ทุกขกตินะพวกเรายังมีโอกาสเยอะนะเอาเป็นว่าไม่ต้องรอเอาตอนนี้แหละเจ็ดนาทีนะการมาดูุธรรมทางศางสนาจะเป็นต้องบวชเสมอไปหรือไม่ คนธรรมาสามารถฝึกจิตถึงขั้นพระหองเป็นคำตอบพระครูเป็นคำตอบอาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตอนนี้คือพุทธเรา 2,600 ปีคริสส์ 2,019 อิสลามพันกว่าไม่รู้พันเท่าไหร่พ่ะครูไม่รู้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีาศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาทำไมมรรลุทราได้ทุกวันนี้ ถาภิกษุบางรูปต้องการสร้างความขังมาสอนแ บ, บนไม่ต่อไปคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาแล้วมันเหมือนสยาศาสตร์คิดว่าปงผมห่ ม, มเหลืองมันจะขังเหรอมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำมาหากินการมุ่งมัน่นมันเป็นเพียรมันจะง่ายกว่านะเพราะคุณว่าจิตไม่มีเพศไม่มีเพศบมงบัชิตไม่มีไม่มีเพศคารวะไม่มีผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละ นะมันเป็นสากนะนี่คือคำตอบการปฏิบัติธรรมโดยมุ่งหวังนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องมีเป้านะแล้วก็เดินไปนะทุกอย่างถ้าเราหวังมันจะมีแฝงด้วยความอยากแต่พระสามก็พูดได้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่มีเป้าชัดเจนเนี่ยเราก็ชลาใจว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ไม่มีศรัทธาตั้งมั่น แต่ผู้เจ้าไม่ใช้คําว่าหวังใช้คําว่าศรัทธาเมื่อเราศรัทธาเราก็มีวิทยะเสมอต้นเสมอปลายสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาทําหน้าที่สุดท้ายมันก็อินทรีย์พละพลังกาลังมันก็มากขึ้นทุกอย่างต้องมีศรัทธาถ้าเราไม่เชื่อว่านิพผานเป็จริงเราจะทําทําไมแค่ปัญหาเราเจอมันก็มากมายแล้วปัญหาที่ทุกคนเจอในเรื่องนิดเดียวที่ปฏิวเนี่ยนะถ้าเราวัดกันว่าเราเสียเวลามาหลายชาติแล้ว แล้วคุณจะเสียเวลาไปต่อยกี่ชาติเลยเราจะเห็นคุณค่าของคําว่านิพพานนะการพ้นทุกนิพพานเป็นความสุขที่แท้จริงๆหรือไม่มีข้อพิสูจน์นี่อย่างไรว่าการนิพพานเป็นคนสุขที่แท้จริงของเราพิสูจน์ได้ด้วยตอนเองท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั่นเห็นเราตถาคตเหมือนพระครูบอกว่าอยากพิสูจน์ว่ากระดูกเป็นพระธาตุได้ไหมเราลองตายดูสิ ไม่ใช่ไปเอาเหตุผลแบบตักกะเพราะครู พ, พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วไงเพราะครูถึงเห็นแล้วว่าสุขจริงมันคืออะไรความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระนะเราเห็นด้วยตัวเราเองเนาะการปล่อยวางคืออะไรคะนะวางไม่ได้แปลว่าทิ้งไม่ไม่แปลว่าทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งสามีทิ้งพ่อทิ้งแม่วาง วางความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีกับสิ่งนั้นวางความยึดมั่นถือมั่นเราทําหน้าที่เราดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดวางไม่ได้แปลว่าทิ้งเราสร้างเหตุไว้เราทิ้งเหตุแล้วเนี่ยไปก็ไม่รอดเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านะวางลูกเมียที่น่ารักวางพ่อแม่วางแผ่นดินนะพระองค์ไม่ได้ทิ้งพระองค์วางพระองค์รู้ว่า ขืนอยู่ต่อไปพระองค์ก็ไม่พ้นทุกข์ลูกเมียที่พระองค์รักก็ไม่พ้นทุกข์พระองค์จึงไปสแสวงหาโมกขธรรมและสุดท้ายก็มาเปิดลู ก, ล, กลูกเมียพระบิดาบรรดูธรรมพระองค์ไม่ได้ทิง้งวางความยึดมัน่นแต่ตอนนี้พวกเราทําอะไรปุ๊บเราก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นอันนี้ของฉันของฉันพอของฉันถูกแย่งไปฉันก็นเลยทุกข์ไงเนีย่ยคำว่าวางไม่ได้ว่าะทิง้งวางความยึดมัน่นถือมัน่นวางความหลง คนเรารักกันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหลงรักเมื่อไหร่ตกหลุมรักเมื่อไหร่มันจะทุกข์เห็นไหมโอ้รักรักรักรักฉันเห็นหน้าเธอทุกวันกอดไว้พอมีคนอื่นแย่งไปเลยเนี่ยไอความรักมันหายไปไหนะแค่นี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายเนี่ยถ้ารักแบบนั้นน่รักแบบหลงนะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุทิฏาอุเบกขานะเมตตากันทุกวัน ทำหน้าที่ฉันดูแลเธอเธอดูแลฉันนะแต่ถ้าเราลักเมื่อไหร่มันจะแฝงด้วยความหลงแล้วก็รักแล้วก็ห่วงแล้วก็หึงแล้วก็หวงมันทุกข์แนตะ่ว่าเราเอาไม่หวงได้ยังไงลูกฉันเอาหวงแล้วมันดีขึ้นไหมแล้วนะมันหายไปในกลางคืนเราหาไม่เจอหวงทุกข์มาก ทุกแล้วหาลูกเจอไหมแต่ไม่ใช่เราไม่ทำอะไรเราก็มีสติไงหาวิธีตามหาไงแต่ไม่ใช่ไปห่วงอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไปทุกอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่มีอะไรดีขึ้นนี่แหละคำว่าวางโอเคไหมนะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ